เรื่องนี้ได้รับการบันทึกจากปากคําที่เล่าเหตุการณ์ของนายมุดชาวอิสลามตาบลคลองตันผู้ที่มีอาชีพหาปลาค้าขายในคลองนั้นตั้งแต่หนุ่มจนแก่ได้บรรยายเหตุการณ์ของพูดผีปีศาจให้ผู้ซื้อปลาของเขาฟัง น้ริมคลองด้านหนึ่งของตำบลคลองตันมีเรือยนลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือส่วนตัวของนักท่องเที่ยวหาความสุขทางลำน้ำและมีเรือสำปั้นหาปลาลำหนึ่งจอดเทียบเรือยนอยู่เป็นการซื้อขายปลาที่หามาได้ปลาคลองนี้ชุมดีนะคะลุงหญิงสาววัย20กว่าถ้าทางธรรมะถมงเป็นแม่ครัวก็พอมีอ่ะครับนายมุชาวอิสลามผู้เท่าตอบอย่างอารมณ์ดีงั้นก็อย่าขายแพงนะคะลุง แม่หญิงสาวใหญ่รูปร่างสวยย้อยย้อนรอยเข้าต่อตามราคาทีเล่นทีจริงนันแน่คุณละไมย้ยอนรอยลุงเข้าแล้วชายหนุ่มอายุไล่เลี่ยกับแม่สาวพูดให้ขบขันคนในเรือยนต์ก็พลอยหัวเราะไปด้วยพระต่างมองดูการซื้อปลาของคุณละไมกว่าจะได้มาก็แย่เหมือนกันนะครับผู้เทาขายปลาพูดแล้วก็หัวเราะ ถ้าลงมือหาตั้งแต่พลบค่าลงเบ็ดราวไปและตอนเช้ามืดมาทอดแหอีกทีหนึง่งก็พอได้ล่ละครับแต่เนี่ยผมทอดแหเอาตอนเช้านี่เองเอา้าวทำไมล่ะคะไม่ลงเบ็ดราวตอนกลางคืนด้วยล่ะคะลุงโอ้ยไม่ไหวล้วครับแก่แล้วอดนอนไม่ไหวเมื่อหนุ่มๆสิครับผมหาจริงเดี๋ยวนี้หาพอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องสองคนตายายเท่านั้น ในมุดพูดแล้วก็หันไปมองหญิงชราอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้พายเรือตัวแก่ๆแล้วแต่ก็ยังสามารถทอดแห่ได้ทอดแหกกลางคืนได้ไ้ยลุงคุณละไมาถามหูตาลุงไม่ค่อยดีละครับและไม่มีใครทอดแหกันเพราะว่ามองปลาผุดแล้วก็พายน้ำไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าปลาชักกลุ่มที่ไหนบ้างตอนเช้าละมันเห็นดีกว่า โอ้ยคุณเอ้ยผมว่าหาปลามาตั้งแต่สมัยหนุ่มเนี่ยต้องระวังตัวแจเลยนะจระเข้มันมีด้วยเนี่ยครับคลองเนี้ยในมุดพูดแล้วก็ชี้มือปราดไปตามคลองเอ๊ะมีจระเข้ด้วยเหรอคะลุงคุณละไมถามเดี๋ยวนี้มันไม่มีหรอกครับมันหายไปหมดแล้วอาบน้ําอาบท่าได้สบายลอยคอตลอดคลองก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนโน่นไม่ได้เลยครับ ทั้งสัตว์ในน้ำแล้วก็ผีสางตามท้องน้ำก็เกะกะหลอกคนหาปลาซะจริงๆแทบไม่เว้นเลยแต่ละรายพวกคนฟังหนุ่มๆสาวๆหัวสมัยใหม่ก็หัวเราะกันครืนพูดเรื่องผีดูเป็นการขบขันถ้าจะโดนพวกเดียวกันหลอกนะซีลุงคุณละหมัยว่าเพราะเกรงจะแย่งหากินอย่างนี้ก็เห็นจะมีมั่งล่ะครับแต่ผมเองน่ะโดนจริงๆไม่ใช่คนหลอกเลยเวลานั้น ตัวของลุงเองก็ยังไม่ได้กันกับยายยังไม่ได้แต่งงานกันเลยยังเป็นหนุ่มอยู่ในคลองนี้แหละครับผมโดนหลายหนผมฟันซสเต็มเหนียวแต่ว่าโดนเรือเราเองยับไปหมดเลยผู้เฒ่าเล่ามีการหัวเราะกันอีกที่ตอนว่าฟันเรือของตัวเองโดยไม่ถูกตัวผีแหมคุณลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเถอะอยากฟังจังกาแฟมีนะคุณลุงกับคุณป้าเอากาแฟไหมล่ะฉันส่งไว้เรียบร้อยแล้วนรง่ง รีนกาแฟสองถ้วยให้ลุงกับป้าดื่มด้วยคนในเรือยนต์ก็เฮ ร, รวมกันมากราบเดียวหมดลุงมุดเห็นท่าจะหลีกเลี่ยงกันเล่าเรื่องผีไม่พ้นก็หัวเราะอย่างจำใจเอาถอะลุงกุ้งเนี่ยฉันซื้อหมดสำหรับปลาก็เอาบ้างพอดูซื้อไปแจกกันกินนะคะเล่าเรื่องเลยลุงไม่ต้องห่วงเรื่องของการขายนะลุงมุดและก็เมียยิ้มอย่างโล่งใจและสบายใจ เอาอีตอนที่คุณลุงยังเป็นหนุ่มอะแล้วก็ตอนลงเบ็ดนะเดี๋ยวฉันจะรอฟังวันนั้นลูกค้าผมชาวบ้านนี่แหละครับเขาจะทําบุญกันเขาก็บอกว่าอ่าให้ผมเนี่ยไปหาปลาไว้ตั้งแต่หัวค่ําก็ตกลงว่าตอนเช้าเป็นส่งปลาแล้วก็กุ้งให้เขาทันผมก็จัดแจงเอาสวิงช้อนลูกกุ้งฝอยไว้เยอะแยะทีเดียวเป็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดเอ๊ะใช้เหยื่อลูกกุ้งเหรอคะลุงครับ นักหาปลาก็ต้องอัดยายซื้อขนมยายครับลุงมุดแกรับกาแฟไปแล้วก็ส่งกาแฟนั้นให้กับคุณยายเพื่อให้คุณยายได้จิบกาแฟบ้างการลงเบ็ดเ ร, ร้าของผมผมชอบวางทุ่นลอยเป็นแถวแล้วก็ทุ่นนั้นมันก็จะมีกระดิ่งไม้ไผ่ก็เกราะนี่แหละครับเวลาปลากิน เกาะมันก็จะรั่วกรงเกริงๆๆๆร็งกรงเกร็งเราก็จะรู้ว่าปลามันกินเบ็ดมากแล้วก็น้อยตามเสียงเกาะถ้าน้อยเกาะมันก็จะดังน้อยถ้าลงเกาะดังกราวไปหมดแล้วครับเท่วนั้นแหละหลายตัวนักผมวางเบ็ดไว้ตั้งแต่เย็นโพล้อเพลสตั้งแต่หัวสุราษฎร์น่นไปจนสุดท้ายบ้านนูน่นลิบลับพอตกค่ำเท่านั้นแหละครับเกาะรัวล้วสิผมถอยเรือออกจากตะลิ่งลงมือกู้เบ็ดแต่ไม่มีปลาติดเลยสักตัวผมก็แปลกใจ แต่ว่าเหยื่อถูกกินหมดเลยนะครับผมก็เลยโทษเจ้ากราะอของผมเองว่ามันหลอกลวงผมมันถูกลมพัดแรงมันก็รัวแต่เอ๊ะ เ, เหยอหมดเนี่ยครับปลามันคงกินแล้วหลุดไปแต่ก็ประหลาดใจนะว่าทำไมมันหลุดหมดทั้งที่มีเบ็ดจานวน50ตัวน่าจะเหลือบ้างสักตัวสองตัวแต่ผมก็นึกไปมือก็เกี่ยวเหยื่อไปตกลงวางเบ็ดไปอีกแล้วก็เป็นไปดังนี้แหละครับถึงสคราวกู้เปล่า ผมเดือดใจนักหาปลามาตั้งแต่เด็กจนหนุ่มก็ไม่เคยแพ้ปลาเลยข้าจะโดนหลอกเข้าละสิคุณลุงผีมันเขย่าเหรอคุณละมัมพูดไม่รู้สิครับตอนนั้นผมไม่สงสัยอะไรเลยโทษว่าตัวเองช้าไปเกราะดังแล้วพายเรือเข้าไปกู้ช้าปลามันก็เลยหลุดหมดผมด่าโชคของตัวเองแต่ก็ทนทาการทางานไปจนเกือบสามทุ่มเอ๊ทีนี้สิปลาติดเยอะเชียว ปลาค้าวตัวโตโ ต, ต, ต, ตเนื้อปลาอ่อนใหญ่ๆปรากฏอีกผมก็เวียนกู้เบ็ดเกี่ยวเหยื่ยอยังอ่อนใจพอสีทุ่มก็ได้ปลารา ว, ร, า ว, ร, าวร้อยกว่าตัวครับพอส่งลูกค้าเขาแน่ละทีนี้ก็นึกในใจแต่ว่าในตอนนึงที่กำลังเกี่ยวเหยื่ออยู่ผมก็ได้ยินเสียงแวววจากท้องเรือที่ใส่ปลาไว้มันดังกรวบคล้ายกับอะไรขบเคี้ยวผมก็เลยหันไปดูก็เห็นแต่ปลามันดินอยู่ตามระเบียบของมันเสียงอะไรอ่ะลุงไม่รู้สิครับ มันดังหลายหนครับผมเหลียวไปก็ไม่มีอะไรผมก็พายเรือมาจอดริมตะลิ่งมันก็ยังคงดังอีกกรวบๆเหมือนเสียงใครหยิบอะไรมาเคี้ยวผมก็เลยต้องหยิบตะเกียงมาส่องดูเอปลาตัวเล็กๆหายไปตั้งหลายตัวมันมีปลาคาวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งมันดิ้นกระดิกตัวนิดๆและปากมันก็ขยับอยู่ท้องมันกลางเชียวครับยังไงกันไอ้ปลาคาวจะกินปลาตัวเล็กเหรอคะ คุณละไมาถามพร้อมกับเบิกตาพโพลงไม่รู้สิครับไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเลยถ้าปลามันจะกินกันมันก็ต้องกินอยู่ในน้ำมันถึงจะกินกันได้ถ้ามันอยู่บนบกมันจะกินกันได้ยังไงแต่เอ๊แล้วปลาเนื้ออ่อนตัวย่อมย่อมหายไปหลายตัวหรือว่ามันจะกระเสือกกระสนเข้าไปอยู่ใต้กระดาน พอนึกอย่างนี้แล้วก็หายค้่องใจแล้วก็ทั้งว่าไอปลาค้าวมันนอนเฉยๆแต่ว่ามันขยับเหงือกของมันหยุบหยับอย่างปลาธรรมดาที่ขึ้นบกก็ระบายอากาศตามเรื่องของมันผมก็วางตะเกียงไว้พอเสียงเคราะดังอีกผมก็ออกเรือไปกู้เบ็ดอีกตามเคยคราวนี้เนี่ยมันก็ดังกรวบกรวบอีกผมก็เลยรีบส่องไฟดูโอ้คุณครับคราวนี้เห็นกับตาเลยแกพูดแค่นี้ก็ทาตาพอง ไอ้ค้าวมันกําลังคาปลาเนื้ออ่อนคาปากอยู่เลยแม้ผมนี่โมโหจังหยิบพวยตีเส้นนอนเงียบไปเลยโอ้โหมันร้ายจริงครับขึ้นมาอยู่บนบกแล้วยังกินกันอีกแกพูดอย่างหน้าขันแต่ไม่มีใครหัวเราะอย่างแรกๆแล้วยังไงอีกอะลุงชายหนุ่มถามพอผมเห็นมันตายผมก็ถอนใจผมก็ทํางานของผมคราวนี้ก็ได้ไอชอนบ้างปล า, มาแมลงผู้บ้างปลากระได้บ้าง ผมหายเสียดายปลาเนื้ออ่อนทำการเกี่ยวเหยื่ออีกตามเคยเกี่ยวแล้วก็ถอยเรือเลื่อนไปอีกทุ่นหนึ่งผมลงทุ่นลอยติดเกราะไว้ถึง5้าทุน่นขณะที่ผมยกพายจุ่มน้ำแรงไปหน่อยเจ้าปลา้าวตัวใหญ่ตัวหนึ่งตกใจพุ่งขึ้นจากน้ำข้ามหัวผมและมันก็ตกลงก้นท้องเรือรวมกับปลาตัวอื่นๆผมส่องไฟดูโหมันใหญ่เอาการแต่ชาวบ้านนี้เขาถือว่าปลาตกใจอย่าเอามันเลยควรปล่อยไปซะดีกว่า ผมก็เลยตกลงใจจับมันปล่อยน้ำไปแล้วกันคุณละไม่ร้องเบาๆทำไมอ่ะถืออะไรกันโดดขึ้นมาก็เป็นลาบของเราสิเป็นชั้นอะ่ะฉันไม่ยอมนะปลาก็ได้เยอะและ้วจะมากลัวหมดลาบอะไรอีกผมก็นึกแบบคุณละไมแหละครับแต่ทาไมรีบปล่อยไปก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเอาอีกแล้วสิคุณเสียงดังกรวบกร u o นี่ก็ดังอีก ผมรีบจับตะเกียงแล้วก็เปิดกระดานเรือบางตอนดูเผื่อว่าจะมีปลาเท้าตัวโตอื่นๆมันกินปลาอีกแต่ก็ไม่มีอะไรแกก็ยกถุงกาแฟขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแก้วแล้วก็พูดต่อผมชักรำคาญใจเห็นว่าได้พอแล้วก็เก็บเบ็ดเอาทุ่นขึ้นรวบเบ็ดเก็บปลาที่ติดเบ็ดก็ปลดลงท้องเรือไปพอเก็บอะไรหมดแล้วผมก็ปล่อยให้เรือลอยมวนบุหรี่ตองแห้งสูบให้สบายใจออ ผมลืมบอกไปว่าตามธรรมเนียมการหาปลาเนี่ยเราทําการกู้เบ็ดปลดเบ็ดเราจะต้องนั่งพายอยู่ตอนหัวเรือใช้พายของเราที่ชํานาญคัดวาดคล้ายๆมีคนถือท้ายอีกคนนึงถ้าเราพายตอนท้ายอย่างเรือธรรมดาเราทําการปลดปลาเกี่ยวเหยื่อไม่ถนัดครับหัวเรือมันจะเบนซ้ายเบนขวาเราทําการไม่สะดวกจึงต้องพายทางหัวเรือวิธีอย่างเนี้ยพวกหาปลาพายเป็นแล้วก็คล่องทุกคนครับ แกพูดไปก็มวลบุหรี่ไปเอาอย่างนี้ไม่ลุงชายคนหนึ่งถามและชูซองบุหรี่ชิกระด็ษให้ดูโอ้ขอบใจครับอย่างผมไม่สูบไม่ถึงใจครับแกปฏิเสธแล้วก็พูดไปอีตอนผมพายเรือกลับบ้านก็พายอยู่ทางหัวนั่นแหละครับขี้เกียจกลับลำเสียงดังกรวบกรวบมันก็มาอีกแต่ผมคร้านจะเหลียวดูคิดว่าประเดี๋ยวก็คงถึงบ้านพบตัวไหนกินอีกก็สังหารให้ตายซะก็หมดเรื่องไป ผมพายฝ่าความมืดไปหลีกกอสว่าบ้างเป็นตอนๆ ต, ตาก็คอยระวังไอ้เคยู่เหมือนกันเกราะหามยามร้ายพายไปเกยมันเข้าถ้ามันขึ้นมาลอยอยู่ก็ลำบากผมคลำดาบดูเป็นเรียบร้อยก็สบายใจเจอเข้าก็ขอฟันให้จังหนับละเคยเป็นเคสิวะมัวเกรงกลัวมันก็หากินไม่ได้ในคลองนี้ไม่มีใครทานผมหรอกครับเรื่องหาคนอื่นๆพอดึกเข้าเขาก็ไม่ออกก็กลับบ้านกันหมด ไม่มีใครหาปลาเจอกันนักเหรอคะรุงคุณละไมถามอ๋ออยู่กันคนละเขตครับเขตใครเขตมันเขารู้หละว่าเราอยู่ทางนี้เขาก็ไม่มาลงซ้ำที่กันนี่คุณครับในระหว่างที่ผมพายกลับนะมันมีเสียงประหลาดเกิดขึ้นมันเป็นเสียงคนพูดแวแวๆว่าเนื้อมันหวานหอมกลมกล่อมผมก็พายมาเรื่อยๆมองดูซ้ายทีขวาทีมันมืดมากไม่เห็นมีเรือแพ ใครจะออกที่ใดบ้างก็ไม่รู้ผมก็พายมาเรื่อยๆอีกไปเดียวก็จะถึงบ้านอยู่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแล้วก็ดังอยู่ข้างหลังผมคล้ายๆจะเป็นในเรือเราตอนท้ายนั่นเองเนื้อมันหวานหอมกลมกล่อมผมก็หันหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่เกียงปกติวางไว้เบื้องหลังเพื่อไม่ให้ตาพร่าเวลาพายเรือพอผมเหลียวไปก็พบเจ้าของเสียงใช่ครับมันเป็นใครก็ไม่รู้มาอยู่ในเรือผมกาลังถือปลาอยู่ในมือ เราจังหน้ากันไอคนนั้นก็ยิ้มเกอ้อแล้วก็พูดว่าเนื้อมันหวานผมใจหายวูบเลยไม่ฟังแล้วทีนี้ผมคว้าดาบได้ทิ้งพายแล้วโดดเข้าฟันเต็มเหนียวไอนั่นโผลจากเรือผมไปคล้ายกับบินได้เหมือนนกผมสับเอาเรือของตัวเองเบอ้อไปเลยผมเสียวไปหมดทั้งตัวรู้สึกว่าหัวโตเท่ากระบุงจะร้องให้ใครช่วยก็ไม่มี2ข้างคลองเขาก็นอนกันหมดบ้านห่างๆกันมีแต่ป่ากับทุ่งโล่ง ผมนี่จ้ำไม่คิดชีวิตเลยครับนั่งพายอยู่ทางหัวเรือวิ่งอู้เลยโอ้แย่ yeah, แล้วแล้วทำยังไงต่อลุงชายหนุ่มอีกคนหนึ่งถามผมเข้าคูบ้านแล้วก็เอะอะเรียกคนบนบ้านพอเขาตื่นมาผมค่อยใจชื้นบังเอิญที่บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยนอนกันในบ้านนอนกันตามชานเรือนบ้างตามโรงข้าวบ้างผมเล่าให้เขาฟังปากคอสัน่นโอ้ยโดนอย่างนี้แย่แล้วครับผมอ่ะแล้วเรื่องปลาล่ะ มีอยู่บ้างไหมคุณละไม่ถามก็อยู่บ้างครับแกตอบแล้วก็โคลงหัวเคราะร้ายครับคุณละไมพอรุ่งเช้าผมเอาไปให้ที่บ้านที่เขาว่าไว้และเล่าเรื่องโดนผีหลอกให้เขาฟังเขาก็เลยไม่ซื้อปลาผมครับเอา้าทําไมล่ะครับชายหนุม่มอีกคนถามเกือบพร้อมๆกันเขาบอกว่าปลาเหลือกินจัดผีแล้วเขาไม่เอาเวรกรรมจริงๆครับผมหมดกําลังใจเลย กลับไปบอกพวกบ้านให้เขาพายไปขายที่ตลาดก็เลยได้เงินมาพวกในเรือยนต์ทอนใจกันเสียงเฮือกไปหมดชีวิตของคนหาปลาคนเดียวกลางดึกก็น่าเห็นใจอย่างที่คุณลุงเล่าคุณละไมพูดแล้วหันหน้าลงมองกุ้งกับปลากุ้งฉันเหมาหมดนะแต่ปลาเนี่ยฉันขอปลาช่อนแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนนอกนั้นลุงไปขายต่อเถอะเมื่อมีการนับตัวปลาและตกลงราคาจ่ายเงินจ่ายทองกันแล้วเรียบร้อยต่างคนก็ต่างผลักออกจากกัน วันหลังพบกันอีกนะลุงชายหนุ่มว่าแล้วก็สั่งคนเรือให้เดินเครื่องเพื่อจะเดินทางเที่ยวกันรอนแรมต่อไปอีกข้างหน้า